สองจหนึ่งสิ้นโลกเหลือธรรมวงเล็บเปิด18ดพฤศจิกายน2549้าในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบสี่วงเล็บปิดถ้าเมื่อใดรู้ทุกจะถึงธรรมละหลวงปู่เทศเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดสิ้นโลกเหลือธรรม รู้ว่าขันเป็นทุกข์นะมันจะวางขันลงไปไม่ยึดถือขันสิ้นโลกเลยเรือธรรมะล้วนๆธรรมะล้วนๆ น, นี้มีแต่ความเที่ยงทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นไม่เคยหายไปไหนธรรมะล้วนๆ น, นี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่ธรรมะล้วนๆ น, นี่เราไม่ได้ไปครอบครองเป็นอนัตตาฉะนั้นการปฏิบัติค่อยๆศึกษาไปนะ คอยดูของจริงในใจของเราเรื่อยๆไม่มีใครสอนธรรมะเราได้แต่สภาวะธรรมที่ผุดขึ้นมาในกายในใจอันนี้แหละคือครูที่จะสอนเราคนอื่นสอนไม่ได้หลวงพ่อก็สอนไม่ได้นะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าท่านก็เป็นแค่คนบอกทางบอกทางก็คือให้มารู้กายมารู้ใจเรียกว่ารู้ทุกนะรู้ทุกแจ่มแจ้งก็ละสมุทัยละสมุทัยจิตก็ไม่ดิ้นรนเข้าถึงสันติสุขที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพาน นี่ท่านบอกทางให้เราก็มีหน้าที่เดินทางเอาเองและไปเรียนรู้ของจริงเอาเองธรรมะของใครของมันนะธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมันก็ธรรมะของหลวงพ่อของเราก็ต้องมีธรรมะเฉพาะตัวของเราเองไม่ลอกเลียนแบบกันดูจากของจริงนะ